เมื่อวานหลวงพ่อได้ไปเยี่ยมป่วยของท่านเลืองหลวงพ่อเลืองวัดลุบเหลาถูกหลานเขาคงอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันนะว่าหลวงพ่อไปได้เป็นยังไงฮะเพราะพวกเราก็ไปมาหาสู่กันอยู่พวกเราไปมาหาสู่กันอยู่พวกเราก็ควรจะได้รับรู้รับทราบร่วมกันไปเมื่อวานก็ไปถึงประมาณชัก ตอนบ่ายโมงครึ่งเกือบสองโมงไปเห็นก็คณะให้ท่านคณะพอดีอะไรก็อาจารย์หมอประมาณหลายคนมาไลา่มาบอกมาบอกกล่าวให้หลงพ่อได้รับรูรรับทราบว่าท่านป่วยสรุปแล้วก็คือเป็น ห, หลายโรค ถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดเพราะเดี๋ยวนี้นกำลังวิเคราะห์กันอยู่เกี่ยวกับกระดูกไขสันหลังเกี่ยวกับเลือดเม็ดเลือดขาวเลือดแดงแล้วก็น้ําท่วมปอดอาจจะเป็นกําลังตรวจสักตรวจดูวันโรกอีกแต่ถามท่านเมื่อวานเมื่อคืนคืนวานเนี่ยนะโอ้ท่านว่าหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่ถึงท้องเหมือนเด็กคนโบราณเขาว่าหายใจไม่หอดท้องนะโอ้ยหายใจบาหอดท้องไหยทีแม่เนี่ยหน่อยใครๆว่าหายใจลงไปมาถึงมันลดแต่ต้นคอเหมือนเออมันไม่หายใจไม่ถึงปอดอแต่พอหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วว่าน้ําท่วมปอดก็ทําให้หายใจมันมันลงไม่ได้น้ําปิด เมื่อวานเขเลยคณะอาจารย์ก็เลยเจออออ า, านนะเอน้ำออกเมื่อวานนี่พอน้ําออกท่านก็เลยหายใจอิ่มทว่มาที่พูดเมื่อวานนะท่านก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสที่อยู่หลวงพ่อไปกับเนนีะ่อัตติอัตโนนาโถ น, นะข่าวนี้เป็นอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรซยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ นอกจากตัวของเราเราจะพึ่งยังไงเราปฏิบัติมาแล้วท่านบอกว่าภาวนาพุทโธภานันมันไม่อยู่ทางนั้นเลยทางา น, นนะ <c oughs> กำหนดตัวไหนไม่พอกาหนดเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจดูใจของตัวเองทีนีน้ไม่ให้มันออกไปทางสู่การเจ็บป่วยไม่ให้ออกไปสู่เวทนา ดูใจน ะ, ะบังคับให้ดูใจใจอยู่กับใจผู้รู้จะอยู่กับผู้รู้พอได้นะ่นมาเออในละจุดนั่นะถูกต้องแล้วหลวงพ่อว่าน ะ, ะไม่ต้องออกไปที่อื่นไปออกไปาหาเวทนาเหมือนกับเอาแย่ขาไปให้ไฟลนนะไปให้อส ร, รพิษมันกัดพรท่ห้ อ, นนอยู่นิ่งกันดูใจ ถ้าเราไม่กิสับกสายออกไปอะไรจะเกิดมันเกิดเราดูใจของตนเองถ้าทำได้อย่างนั้นดีละดีละแต่หลวงพ่อก็มีแต่แนะนำคนอื่นนะแต่พอไม่เจีกับตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันนะั่นน่ะมันไม่ใช่ธรรมดานะเวทนาตัวนี้เ <c oughs> นี่ยแะเราเล่าให้ลูกหลานฟังแต่จะได้ออกเมื่อไรแต่จะได้ออกเมื่อไหรนะ่นั้นยังไม่ทราบนะเพราะว่า อาการของท่านเดี๋ยวนี้ยังยั ง, ยงวิเคราะห์โรคยังไม่ได้อยู่คะคหมอกำลังวิเคราะห์ดูว่าจะมีเชื้อวัณโรคไหมจะในตักอาทิตย์หนึ่งคงจะรู้ได้อาจารย์หมอกับท่านพูดอย่างนั้นนะนั้นหลวงพ่อก็พูดตามที่คณะแพทย์คณะหมอท่านเราให้ฟังนั่นแหละแต่คิดว่า นาวิตกไหมก็อื่นนากระ น, นาวิตกอยู่เพรมันมีแต่กองทัพใหญ่พอสมควรการป่วยในคราวนี้ครั้งนี้ของท่านนะถ้าฝ้าฟันอุปสรรคได้ก็อืมคงคงไม่มีอะไรนะแต่ถึงยังไงก็จะทํายังไงได้ล่ะอถึงไม่ถึงคราวมังกคงไม่ตายอถ้าถึงคราวมันอยู่ที่ไหนก็ตายเท่านี้ก็คงจะไม่ถึงคราวมันนะ่ง ท่านคนจะฝ่าฟันอุปสรรคออกมาได้โรคภัยไข้เจ็บของท่านนะแต่ก็คงจะสบักสบอมพอสมควรก่อนจะผ่านได้นะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้าสิงหาคมพุทธศักราช2560นะ้าก่ะเมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้พูดเกี่ยวกับกระถินนะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องกระถินอีกช่วงนี้เพราะว่า กะถินสามัคคีขององค์หลวงตาเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันระมมไม่ช่วยกันพูดก็คงจะห่างเหินแล้ว่าไม่มีการประโคมข่าวหรือว่าไม่มีการบอกกล่าว เ, เพราะนั้นควรจะมีการบอกกล่าวกันเป็นะระลอกละลอกเพราะว่าการบอกกล่าวพระเจดีย์ในข่าวนี้กระถิ น, นข่าวนี้ ก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องอช่วยกันระดมทุนในฐานะลูกหลานเหลียญขององค์หลวงตาเพราะว่าเราจะได้สร้างพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อวานเนี่ยเออปัจจัยที่หย่อนตู้มานะี่ยก็ยังไม่พอนะลูกหลานเพียงพอแต่จะพระเจดีย์กับวิหารส่วนพิพิธภัณฑ์นั้น คงจะยังไม่พอแต่นี่ก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเรื่องพิพิธภัณฑ์แต่ว่าการที่ไม่เซ็นสัญญาเนะี่ยแปว่าเงินไม่พออย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าข้างหนพระเจดีย์เนี่ยเรายังหาข้อมูลยังไม่ได้เราก็เลยเอาไว้ก่อนคล้ายๆกับจะจะจ ะ, จะสร้างอาคารอย่างไรจะเอาของอะไร เขาไปบรรจุข้างในพระเจดีย์แอบพิพิธภัณฑ์นั่นนะพอะะดันทางคณะผู้ออกแบบกท่านก็เลยบอกว่าขอคิดอีกสักช่วงระยะหนึ่งให้ถี่ถ้วนเราจะเอาเอาอะไรเข้าไปไว้ข้างในจะเอาหุ่นไหมหรือจะเอารปูปเออหรือจะเอาป้ายกีแผน่นทำมาเทศนากีอย่างหรือจะเอามีระบบเสียงหรือจะ ม, มีระบบอะไรไหมในลักษณะอย่างนั้นแหะ ท่านกําลังออกแบบให้มันเป็นสากลเลยแล้วงั้นเถอะพอเข้ามาพวกต่างชาติต่างภาษาเข้ามาก็ให้ได้รู้เรื่องอาจจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนนในพิพิธภัณฑ์พราะนั่นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จะได้ใช้จะตัวจะตัวใจมากไหมอันนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกระสุดแท้แต่เงินพวกเราอถา้าเงินพวกเราไม่พอนะ ก็คงจะในระดับหนึ่งทางว่าเงินพอเราก็อาจจะใช้แบบระบบสากลมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยพอโลกทุกวันนี้มันก็อย่างพวกเราท่าทั้งหลายเห็นถ้าได้ใช้ทันสมัยราคามก็ต้องแพงขึ้นแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเขาคิดว่าก็คงจะให้มาสมมาสมควรก็ไม่ควรจะให้ ดอยเกินไปไม่ควรจะให้เวอร์จนเกินไปให้พระองค์หลวงตาเป็นพระกรรมฐานท่านก็คงจะให้พอเหมาะแต่จะเน้นเน้นเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำโป่งๆโล่งๆธรรมดาเราจะต้องเน้นใครเข้าไปลูกหลานใครผู้ใดเข้าไป ให้ไปอ่านให้ไปศึกษาและไปฟังเสียงหลวงตาจากนั้นก็ได้ความรู้ความฉลาดออกมาติดจิตติดใจออกมาเราอยากจะให้เป็นอย่างานั้นพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาให้เป็นแนวความคิดแนะนําถึงหลวงตาจุดตินิพพานไปแล้วธรรมเทศนาของหลวงตาก็ให้ออกมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานเหมือนกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าถึงจะปรินิพานไปแลป้วสองพปีแต่พวกเราเราได้อ่านในตำรับตาราอ่านในพระธรรมคําสอนเราจึงเป็นเครื่องเตือนใจคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศินสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพวกเราอย่งซึ้งประทับใจนี่แหละธรรมเทศนาของหลวงตาก็เหมือนกันถึงจะท่านจะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาประกาศเผยแผ่ก็จริงอยู่แต่ท่านก็คัดลอกออกมาให้ทันกับยุคสมัยนี้สมัยนี้เป็นยังไงหลวงตาเกิดในยุคสมัยนี้ท่านก็พยายามกันกรองเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยไยคครับบอกเด็กควรจะทานอาหารประเภทไหนเด็กโตขึ้นมาควรจะทานอาหารประเภทไหน กลางคนคนเท่าคนแก่คนทานอาหารประเภทไหนหลวงตาเป็นผู้ฉลาดนะเป็นผู้จําแนกและเป็นผู้รู้จั ก, จกแบ่งรู้จักเลือกอาหารให้กับผู้คนที่มาเกี่ยวข้อง เ, อเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาของหลวงตามีหลายรสชาตินะเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิ์ญานุสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายกพยายาา็พยายามพยายาม เอาทำคำสอนขององหลวงตาเนี่ยที่หลายรสชาติเนี่ยเอออมาจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้กับลูกหลานคณะทศัทยญาติโยมทุกระดับเมื่อเข้าไปศึกษาแล้วจะเกิดประโยชน์เนี่แหละพิพิธภัณฑ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างนี้นะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นจึงไม่ได้เซ็นสัญญาแต่จะได้ใช้เงินมากไปหลวงพ่อนะตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หลวงพ่อคิดกะกะไว้นะเมื หลวงพ่อเนี่ยไปที่ไหนหลวงพ่อที่วิศว ก, การนะกะกลางไปเลยหลวงพ่อว่าไม่น่าจะต่ากว่าสองสองรล้านนะลูกหลานนะแต่มีมีมีอะไรอย่างก็มีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าออรองอดีตรองผู้วาดเป็นวิทยาวัชกร ข, ของวัดป่าบ้านตาดประกาศให้พวกเราได้ทราบหลวงพ่อก็ทราบในวันนั้นละร่วมกันกับหลายหลายคน ในห้องประชุมที่เซ็นสัญญาบอกว่าเงินที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่537้าล้านแต่วันนั้นเซ็นสัญญาพระเจดีย์กับวิหาร4ะ่ะพระ490ล้านอ่าแต่เนีน่พวกเราก็ลบด้วยที่ว่า490บล้านลบด้วย500 37ล้านน่ยยังขาดเท่า ไ, รไหร่นแ่แหละจำนวน น, <S 2> <S 2> นั้นคือเหลือเหลือมาใส่พิ พ, ธพิธภัณฑ์แต่ว่าพวกเราร่วมกันทอดกระถินคราวนี้นะ่ะแปดหมื่นสี่พกองกองละสามพันบาทก็เป็นเงินประมาณสองร้อสามสิบกว่าล้านห้าสิบกว่าล้านทพวกเราคิดดูนคิดดูกันเียแล้วกันนะไอ้ทุกขีตีลุงพพ่ออาจจะพูดผิดก็ได้ เพราะหลวงพ่อเองก็ไม่ถนัดในตัวเลขหลงหลงลืมๆไปเรื่อยแต่พวกเราคิดดูก็แล้วกันถ้าได้ในเงินก้อนนี้นะถ้าได้เต็มเปี่ยมทั้งแปดหมสี 4, 000, ม่พกองเนี่ยหลวงพ่อก็น่าจะเพียงพอสำหรับพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอันนี้เป็นความคิดหลวงพ่อนะไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความคิดของคณะกรรมการไม่ใช่ความคิดของผู้ออกแบบนะเพียงแต่หลวงพ่อบอกพูดเก่าเก่าให้ฟังถ้าว่าเราได้ ปัจจัยมากเทคโนโลยีก็คงจะล้ำสมัยไปบ้างนะถ้าว่าเราได้เงินไม่มากนะเราก็คงจะขึ้นป้ายติดๆๆๆให้คนได้อ่านได้ศึกษามันมีหลายแบบหลายแนวนะลูกหลานนะพราะนั้นการที่จะใช้สตุปปัจจยมันก็ต้องเราจะได้อยากได้ของดีราคาถูกมันก็คงหาได้ยากในโลกนี จะได้ของดีมันต้องราคาแพงเราต้องจ่ายเงินถ้าจ่ายเงินแพงก็ได้ของดีถ้าว่าจ่ายเงินจ่ายเงินน้อยหนะอยากจะได้ของดีมันผิดธรรมชาตินะพอนี้อันนี้ก็เหมือนกันพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเป็นเรื่องละเอียดพอ้นั้นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามีมากหลากหลายถ้าว่าไม่มีใครชี้เสียไม่มีใครบอกกล่าว ก็พวกเราอยู่อึมครึมอยู่ในใจกต่างคนต่างสงสัยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะได้ออกมาบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ได้พูดว่าเมื่อวานคณะกรรมการเขาจะตัดแผ่นทองจารึกชื่อ น, ะอนามสกุลของเราตระกูลของเราใส่แผ่นทองเท่าบัตรประชาชนแต่ละแผ่นเขาจัดไว้ประมาณ5 0,000 ื่นเขาว่างั้นนะ หลวงพ่อได้ยินแต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นกรรมการนะแต่หงพ่อเป็นผู้อนุมัติเป็นผู้บอกกล่าวจะไม่ไมาใช่คณะนะกรรมการเขาคิดได้เอง เ, อเขาคิดได้แล้วเาก็บอกว่านาจะมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนจัทธาญาติโยมในเมืองบันทึกชื่อลงไปในบนในแผ่นทองแล้วก็ เ, เขาจะ จ, จัดกล่องสตเตนเลสแต่ไม่ใช่ฝัง ในพื้นพระเจดีย์นั้นหลวงพ่อมาไม่ใช่ผาฝังในพื้นดินเพราะมันมีชื่อกูบาจานอยู่เพราะนั้นตรงนี้น่ะเขาจะจัดที่บริเวณพระทักษิลปยชั้นล่างประมาณสี่เมตรสูงจากพื้นดินเหมือนกับนี่ะเป็นพื้นสูงต่อมาอีกสูงอีกประมาณสาเมตร แล้วก็สูงอีกขึ้นไปตรงฐานพระเจดีตรงตรงเสาพระเจดีขึ้นไปนั่นนะขอคงจะใส่กล่องนั้นบนตรงฐานตรงนั้นประมาณเก้าเมตรนะจากพื้นดินขึ้นมาประมาณเกเมตรที่จะบรรจุชื่อครูบาอาจารย์ชื่อศรัทธาญาติโยมนะ่ยหรือชื่อข้าราชการชั้นผู้ใหญนะ่นจะเอาไว้ในตรงนั้นเพื่อเป็นอ ให้เป็นที่ละเล็กกว่าพวกเร า, ามีชื่อได้มอบชื่ อ, อ, อนามสกุลเพื่อบูชาหรือว่ากราบองค์พระหลงองหลว ง, ง, ง, ง, งตาที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสไม่ใช่ว่าเอาชื่อไปไว่าเราจะเป็นไปเป็นเปรต เ, เป็นผีเฝ้าพระเจดีย์ไม่ใช่นะมีแต่เมื่อเราเอาชื่อเอาเข้าไปแล้วนะ เราบูชาพระหันคือองค์หลวงตาคือเป็นผู้พระที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสตัวของตัวของท่านเองก็ประกาศไว้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านเพราะฉะนั้นเรามีชื่อเข้าไปกับไปวางไว้ในกล่องสเตนเลสเขาจะจัดเป็นกล่องของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์กล่องหนึ่งขุขรัตการผู้ใหญ่กลองพี่น้องประชาชนจัดทาญาติโยมจัดเป็นกล่องกล่องในสเตนเลสแล้วก็บรรจุไว้เทปูนหุ้มไว้ จากนั้นพวกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานสาธุเนอผู้คาได์ฝากชื่อเสียงไว้ในพุทธศาสนาในถวัติจตุปัจจัยอไม่ใช่แต่เขียนแต่ชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะแต่เขียนชื่ออย่างเดียวรไม่ได้บุญนะมีแต่ชื่อตัวเองใายอรโมทนาแต่ควรจะเป็นสมบัติของตนเองด้วยสมบัติของตนเองคืออะไรเราก็บริจาคบริจาคเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงตา แล้วก็มีชื่อเสียงด้วยไม่ใช่มีแต่ชื่อเสียงอย่างเดียวนะไปที่ไหนก็มีแต่ชื่อตัวเองและไม่มีเงินทำยังไงฮะมันต้องมีเงินด้วยเราก็ต้องมีเงินฝากทาบุญสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาด้วยก็มีชื่อด้วยจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสา่าทูนเนอร์หลวงตาได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างไรหลวงตา รู้แจ้งเห็นจริงบรรลุธรรมอย่างไรก็ขอให้เข้าไปเจ้าในบรรลุธรรมอย่างองค์หลวงตาที่ได้รู้ได้เห็นได้บรรลุธรรมด้วยทุกประการด้วยเท อ, นะอินะเราตังจิตอธิษฐานนะเมื่อเราทําเขียนแผนทองแล้วเมื่อเราทําบุญแล้วนะแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วนะแต่จ้ตุปัจจัยหลวงพ่อเอกอยากจะแนะนําพี่น้องประชาชน เมื่อได้ยินเสียหลวงพ่ออย่างวันนี้ละมันจากวันที่ส2บสองน่ะมันอย่างห่างไกลแต่พอเรามีเวลาอยู่เราอาจจะเอาเงินที่เราจะทำบุญโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นนเลยอีกไม่นานหนลวงพ่อจะอ่านเลขบัญชีให้ฟังอีกรอบหนึ่งถ้าผู้ใดอยากจะจดไว้ก็เตียมปากกาจดไว้เลยก็ได้หรือว่าจะฟังโซเชียลยูทู e เฟซบก เปิดอีกฟังอีกก็ได้นะในเมื่อเราได้ฟังแล้วเราก็โอนเลยเราอยู่ใกล้ธนาคารไหนเราก็เสียยอมจ่ายไปบ้างถ้าเรามีจ่ายโอนเงินเป็นจํานวนมากนะเว้นเสียแต่ว่าจํานวนน้อยกระจิบกระจ่อยเออเอามายอดตู้ก็ได้เมื่อเรามาแต่ถ้าว่าเรามีจุดประสงค์ที่จะสร้างพระเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแล้วควรจะโอนนะหลวงพ่อแนะนําโอนมากกว่าโอนจะปลอดภัยกว่า โอนเข้าบัญชีเลยบัญชีที่หลวงพ่อกําลังจะอ่านนี่แหละจากนั้นก็เอาเบอร์สลิปที่เราได้โอนไว้นะ่ะมาแล้วก็มามอบมาถวายมามอบให้บ้านวัน่า น, นตาหรือมาหย่อนตู้มาหย่อนตู้บรรดาแล้วก็สลักไปขอใบอนุมันาบัตรตามที่ใบสลิปแล้วก็ชื่อที่อยู่ของข้าพเจ้าอยู่ข้างหลังนี้เราเขียนไว้เลยนะจากนั้นเราก็หย่อนลงไปในตู้เลย ตูบริจาคจากทั้งคณะกรรมการเขาก็เปิดเปิดขึ้นมาเขาก็อ่านดูสลิปแล้วก็อ่านที่อยู่เรียบร้อยจากนั้นเขาก็จะได้ส่งใบอนุมัตินาบัตรให้ตามที่เราได้เขียนชื่อที่อยู่และก็จํานวนเงินอยู่ในสลิปนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายหรือว่าไม่ต้องมาก็ได้ เสร็จแล้วเราอาจจะส่งมาทางจดหมายก็ได้เมื่อเราโอนเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ใช่เงินเงินจำนวนมากนะหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้โอนเข้าบัญชีมันมันจะไม่สลบไปสลบมานะมันตรงมันตรงเข้าไปเลยถ้าหย่อนตูนมันอาจจะงองอเงินเงินงอตัวงอเนี่ยมันงอมันโค้งมันมันงอมันเกาะนั่นเกาะนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ แต่ถ้าว่าเอาเข้าบัญชีเลยหนะลวงพ่อคิดว่าจะตรงดีนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะทศไทยญาติโยมทุกทุกท่านที่จะเย็นเสียงหลวงพ่อน ะ, อะแล้วก็เนี่ยกระถินหลวงพ่อจะประกาศแล้วนาที น, น ะ, ะกระถินสามคัคคีวันที่เจ็ดตุลาคมพุทธศักราช2องพันเวลาเป็นเป็นวันทอดนะ ที่วัดป่าบ้านตาดจัดว่าเป็นกระถินสามัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี 721-238 188-8 ปดขีดแปดบัญชีอมทรัพย์ฟังอีกนะจะย้ำสองครั้งกระถินสามัคคีจะทอดวันที่เจตุลาคมพุทธศักราช2560นณวัดป่าบ้านตาดเป็นกระถินสามัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์ ต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถน น, นนทหารอุดรธานีเลขที่บัญชี721 238 1หนึ่งสองสามขีดบัญชี อ, อมรั์จะเป็นบัญชีวัดป่าบรนตาแต่ผู้ที่มีอำนาจเต็มคือหลวงพ่อสุดใจทันตะมะโนเป็นผู้ เจ้าของบัญชีนะแต่บัญชีวัดป่าบ้านดาดอันนี้ขอแจ้งข่าวให้พวกเราคณะทาญาทโยมที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยนะคาดใครอยากจะทําบุญเพราะวันนี้กับวันที่12สิงหาเนี่ยก็เป็นวันที่จะประกาศแหะเป็นประกาศตัวเลขชัดเจนดีวัดป่าบ้านดาดแต่หลวงพ่ออยู่วงนอกหลวงพ่อก็แจ้งข่าวทางคณะทาญาทโยมที่ที่ฟังเฟซ หรืออย่ทกของหลวงพ่อเนี่ยผู้มีพอได้ฟังแล้วก็อึ้อแจ้งข่าวบอกกล่าวต่อต่อกันไปลูกหลาน เ, เพราะว่าการทำบุญสมบัติตนสมบัติบริวารสมบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าเราเอาแต่สมบัติตนอย่างเดียวเกิดพบนาชาตินะไม่มีผวกพ้องบริวารก็โดดโดดเดียวเดียวดายกันไปนะ แต่ตาความมีแต่บอกให้คนอื่นทนําบุญตัวเองไม่ทําได้แต่บริวารสมบัติสมบัติตนเองไม่ดีไม่มีไม่ดีอีกเหมือนกันถ้ามีบริวารลูกน้องบริวารมามากเราไม่มีเงินเลี้ยงเขาแล้วจะทํำยังไงทุกใจอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นมันต้องสองสองอย่างทั้งทําบุญด้วยทั้งบอกให้คนอื่นอนุโมทนาให้คนอื่นทําบุญด้วยนี่แหละ อันนี้ก็คือเรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาแต่หลวงพ่อทำไมจะได้พูดเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงตาเพราะหลวงพ่อเห็นว่าการสร้างบุญสร้างคุศลในการสร้างพิพิธภัณฑ์ในคราวนี้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำบุญทําทานเพราะอะไรเพราะวงหลวงตานี่ท่านเป็นพระเช่นไรควรจะสร้างสถูปและเจดีย์ เป็นเครื่องเคารพสักการะบุญกุศลที่พวกเราสร้างไปเนี่หน่อยจะติดภพติดชาติไปนานเท่านานถ้าว่าพวกเรายังไม่พ้นทุกในวัฏสงสารยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่อานิสง์การสร้างพระเจดีย์เหล่านี้นะ่ยจะเป็นเครื่องเคื่อกุณหนุนจิตใจของเราให้ไปสู่ปัโลกหรือภพภูมิยานยาวนานทีเดียวเพราะอานิสง์ในการสร้าง แต่บนยอดพระเจดีย์เป้าบนเต้าข้างบนอันนั้นก็คงจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือธาตุของพระอราหันต์ไว้ข้างบนอต่ตนกลางพระเจดีย์ที่เป็นเสาเสาหินขึ้นมานะเราจะบรรจุอธิธาตุพระาธาตุขององค์หลวงตานะจนใต้ฐานใต้ฐานพื้นชั้นข้างบนเราจะบรรจุ เกี่ยวกับชื่อสิทธยาฤกษ์ขององค์หลวงตานะี่นี่แหละอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะเกิดมาทั้งทีชีวิตทั้งทําบุญทําทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยอประกอบคุณงามความดีอันไหนจะเกิดประโยชน์อันไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลเอสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอท่าว่าถึงคราวมันแล้วนะ่ะ ถึงเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหมดโอกาสนะหลูกหลานน ะ, ะมันหมดโอกาสถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยขณะที่เรายัางแข็งแรงอยู่นี่ยังคิดอ่านอะไรได้อยู่การแสวงหาทรัพย์เราก็หานะก็ควรจะแบ่งทําบุญทําทานไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงจะให้หนักหนาไม่ใช่มีเท่าไหร่ทําบุญทั้งหมดไม่ใช่ถ้าไม่ทําบุญฉเฉลยน่าตําหนินะเกิดมาทั้งทีชีวิตแล้วน่าจะลงทุน สร้างปุญสร้างกุศลกับขีตนีทีเหนียวขีเหนียวไปเพื่ออะไรเก็บไว้แล้ว เ, เราจะใครจะให้ใครใช่พอเราตายก็ให้ลูกให้หลานใช้เขาใช้อรุ่ยชุยแชกไปหมดเลยท่านใดแต่ทั้งตัวเองโอ้โห oh, oh, oh, กมัดกเมียมีเท่าไรก็เก็บหมดกมิดกเมพอมาถึงลูกถึงหลานเท่านั้นเขาใช้แบบเฟ้ฟ้าไปหมดเลยแต่ตัวเองตายเป็นผีไปแล้วก็มองสมบัติของตนเองที่เขาใช่ ตาทำต า, ต า, ตาพิพพิ พ, พ, พ, พอยู่ไม่น่าจะถูกนะเพราะนั้นเมื่อเราหามาได้ใช่เราจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานส่วนนึง เ, เราก็ควรจะทำบุญทำทานสาหรับตนเองอีกส่วนหนึ่อในเมื่อข้าตายไปแล้วสเจาไม่ต้องทำบุญให้ข้านะอข้าทําอาเพียงพอแล้วล่ะอันนั้นที่ จ, จานวนที่เหลือน่ข้าแบ่งแบ่งสาหรับสเจริตสเจ้าไม่ต้องทำบุญให้กับข้าเนอก ไอ้สูเจ้าแบ่งนะคนนั้นคนนั้นคนนี้คน น, น, นี้นะอย่าทะเลาะ ก, กันนะลูกหลานเนอะนี่เราไ่าจะแบ่งอย่างนะั้นอีกต่างหากนะคณะสถาญาติโยมลูกหลานเนอะเนี่ยวันนี้หลวงพ่อเองได้พูดเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแต่หลวงพ่อก็คิดว่าจนกว่าจะทอดกระถิ่นนะหลวงพ่อเขาคงจะพูดเป็นละลอกละลอกวันนี้ก็ย้ำที่พูดเมื่อวานนี้ อยังขาดตกขาดเหลือขาดตกอยู่ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังให้ชัดเจนนะ เ, เพื่อจะได้มั่นใจว่าไม่ใช่พูดแบบ ล, ลอยๆพูดแบบมั่นใจหลวงพ่อพูดแบบมั่นใจแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วก็มาในะแนะนําบอกกล่าวให้โอนเข้ามาบันหาหลวงพ่ออีกต่างหากสร้างพระเจดีอ์ถึงจะโอนบัญชีของหลวงพ่อก็ได้ คณะทาาัดธาญาติโยมที่เป็นศิษย์ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยที่เชื่อในหลวงพ่อนะเออเอาเถอหลวงพ่อผมเชื่อในหลวงพ่อให้หลวงพ่อเป็นผู้พานำเออเอามาหลวงพ่อจะรวบรวมในกลุ่มของเรานะถ้าไม่เชื่ออย่าเอามานะถ้าไม่เชื่อในโอนเข้าไปตรงนั้นเลยถ้าเชื่อในหลวงพ่อนะเอ้าข้าพเจ้าดิฉันผมต้องการบุญสองเดง ธรรมะถวายหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อรับแล้วแล้วก็จะเอาเข้าสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อก็จะนําจะตุปปัจจัยของลูกของหลานสิทธิญาณวิสิทธิ์ที่รู้จักมักคุ้นในไว้เนื้อเชื่อใจหลวงพ่อเนะี่ยหลวงพ่อก็จะรับนะรับแล้วหลวงพ่อก็จะ จ, จ, จัดการตามที่คณาทารย์ญาติโยมลูกหลานไว้เนื้อเชื่อใจหลวงพ่อก็จะเอาเข้าไปตามที่ พวกเราที่มอบหมายมาเนี่ยหลวงพ่อก็จะรับนะเพราะอะไรหลวงพ่อจึงรับมันจะมีการแจ่งแบ่งแยกแล้วอือใชยถ้าจะแบ่งแยกก็ใช่แต่หลวงพ่อมายในแบ่งแยกลูกศิษย์ลูกหาท่านผู้อื่นนะลูกศิษย์ลูหาครูบาอาจารย์เอาเข้าเลยหลวงพ่อก็ไม่ได้กีดกันแต่ผู้ที่เคารพรักเอ่อเคารพนับถือเชื่อถือในหลวงพ่อหลวงพ่อพูดเปลี่ยงแค่ทัานเชื่อถือเข้าใจไหม ไอ้เนื้อเชื่อใจเข้าใจไหมคาถาไว้เนื้อเชื่อใจเอามาพอหลวงพ่อเนี่รับห้าสิบล้านบาทถ้าว่าไม่ได้จตุปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมแล้วจะได้มาจากไหนหลวงพ่ชอบยังไม่ถึงเป็นเจ้าเวทมนตร์โกลคาถาจะเป่าเชกเสกใบไม้ให้เป็นเงินยังไม่ถึงขนาดนั้นนะต่อไปภายภาคหน้าไม่แน่เหมือนกันนะ่ะทำมันหาไม่ได้จะเสกก็ได้นะ แต่แ ต, แตถึงยังไงเดี๋ยวนี้มันเสกยังไม่ได้กันนะต้องอาศัยลูกอาศัยหลานคณะศรัทธาญาติโยมห้าสบล้านบาททําบุญไปแล้วสองล้านนะยังเหลืออยู่สี่สิบแปดล้านนะแต่หลวงพ่อก็ตั้งใจนะตั้งใจว่าเนี่ยกรถินคราวนี้แหละเราจะตบกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาศรัทธาญาติโยมมาร่วมสมทบหลวงพ่อนะีหลวงพ่อจะตั้งใจว่าประมาณ3ล้านนะลูกหลานนะ ได้หนึ่งพันกองแต่ไม่ใช่ให้โอนทีเดียวนะหอวงอนจะขยับประกาศวันที่สิบสองเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะโอนโอนเออเอามันงอกเงยขึ้นมาเอกไหมอ้าวให้เอกความคือความตั้งใจนะสรุปแล้วก็พอโอนไปสามล้านกหลวงพ่อก็บอกเลยเอออ้าวสธาญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยปลดหนี้ไปแล้วปลดหนี้คำพูดไปแล้วนะ อย่างเดียวอยู่สี่สิบห้าล้านนะลูกหลานนะตัวพ่อก็จะพูดไล่ลงมาล่นลงมาตามลําำําหรับเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะีน่พาลูกพาหลานสร้างบุญสร้างกุศลแต่เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะเมื่อลมหายตายจากไปแล้วนะ่ะถึงจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเกิดเป็นมนุษย์พบภูมิใดท่านระลึกชาติได้เลยอย่างคุณแม่ชีแก้วทนะ่านระลึกชาติได้ท่านบอกอื ผู้ฆ่าเนี่ยได้สร้างพระธาตุพนมอยู่ได้ผู้ฆ่าได้ร่วมสร้างพระธาตุพนมกับเขาอยู่นะในการสร้างพระธาตุพนมในคราวนั้นท่านได้ท่านผู้ที่มาท่านก็ยังภาคภูมิใจวราท่านได้สร้างพระธาตุพนมในชาตินั้นที่ชาติเขาสร้างอันนี้ก็เหมือนกันน่ะหลวงพ่อว่าในเมื่อเราสร้างลงทุนสร้างพระเจดีย์พระองค์หลวงตาเราได้ทุ่มทุนลงไปถ้าห่า เราเกิดมาพบนายชาติหน้าแต่พบพระรหันต์แต่สาวกเออสมัยนั้นให้เจ้าเนี่ยได้ร่วมสร้างพระเจดีย์ของหลวงตามหาบัวนะพระรหันตนะ์นะในอาณาสวงของเจ้าเกิดมาพบนิชาในีเจ้าจึงรวย อ, อ, อาจจะได้รับพยากรณ์จากพระรหันต์ในาาศาสนาพระศรีอริยกเมศไม่ทราบเหมือนกันนะพวกเรานะสร้างไปแต่สร้างความดีนะอย่าไปสร้างความชั่ว ถ้าชางความชั่วเข้าไปอะไรน่แหละตายเลยสินี้ยนี่แหละชาตินั้นเลยเจ้าเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะเอ่อพระพุทธเจ้าโคตมะก็จริงอยูเอ่อแต่เจ้าทําความชั่วเสียหายเอ่อเพอเพอฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าคู่ฆ่าคนสิ่งที่มันชั่วเจ้าทําหมดกินเหล้าเมายาอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเกิดมาพบนี้ชาติเนี่ยเจ้าจึงเป็นลักษณะอย่างนี้เน่ยเราจะได้รับพยากรณ์อย่างนั้นน่ะ ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ได้รับพยากรอย่างดีๆนะที่พวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ปูพื้นฐานเอาไว้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนะเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าแล้วควรจะประกอบแต่คุณงามความดีเท่านั้นนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรแ ล, ละพรใัฐนีนะ